จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาสี่ มาบำเพ็ญจิตตภาวานามาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อเป็นการผ่อนสงข้าบ้านหลังใหม่ที่พวกเราจะต้องย้ายเข้าไปอยู่หลังจากที่บ้านเก่าของเรานี้ทํงไปแนละ้วอยู่ไม่ได้นาะเราก็ต้องเตรียมซื้อบ้านหลังใหม่ไว้ก่อน ถ้าเราไม่เตรียมซื้อไว้เวลาที่บ้านเก่าพังไปเราก็จะไม่มีบ้านอยู่เราก็จะไปอยู่แบบขอทานอยู่ตามใต้สะพานอยู่ตามข้างถนนแต่ถ้าเราผ่อนส่งค่าบ้านหลังใหม่ของเราอยู่เรื่อยๆพอเราผ่อนครบแล้วเราก็จะมีบ้านหลังใหม่มารอรับเรา หลังจากที่บ้านหลังเก่าของเราได้หมดสภาพไปแล้วบ้านเก่าของเราบ้านที่เรากำลังอาศัยอยู่ในตอนนี้ก็คือร่างกายของเราที่จะต้องค่อยๆแก่ลงไปทีละเล็กทีละน้อยทีละวันทีละชั่วโมงทีละนาทีแล้วต่อไปก็จะเริ่มชำรุดสุดสูง ร่งางเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคต่างๆแบบที่คนแก่คนชรามีกันแล้วต่อไปก็จะต้องตายไปเพราะจะไม่สามารถรักษาโรคภัยไค่เจ็บให้หายได้พอร่างกายนี้ตายไปก็เหมือนกับบ้านที่เราอาศัยอยู่นี่มันพังไปอยู่ไม่ได้ เราก็ต้องออกจากบ้านนี้ไปถ้าเราได้ผ่อนบ้านไว้ก่อนล่วงหน้าซื้อบ้านไว้ล่วงหน้าเราก็จะได้ไปอยู่บ้านใหม่ของเราเลยวิธีที่เราจะได้บ้านใหม่เราก็ต้องทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำคือให้เราทำทานให้เราเสียสละทรัพย์แบ่งปัน ข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้เอาไปช่วยเหลือผู้แบบ่งความสุขให้แก่ผู้อื่นอย่าเอาข้าวของเอาทรัพสมบัตเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆมาให้เราลักเสกเพราะว่ามันก็เป็นความสุขชั่วกราวชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ แต่ถ้าเราไม่ได้เอามาทำทานเลยเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจะไม่มีบ้านหมั่นใหม่รอเราอยู่ <Yeah. S 1> แล้วถ้าถ้าเราไม่ทำตามคาสอนของพุทธเจ้าในข้อที่สองก็คือให้รักษาศีลคือให้ละเว้นจากการฆ่าจากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดประเวณี จากการโกหกหลอกลวงจากการเสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเช่นเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นมิตรมีความเกลียดคร้านถ้าเราไม่ละการกระทำเหล่านี้เราก็จะสร้างหนี้แทนที่จะซื้อบ้านไหม่เราก็จะต้องไป ติดคุกติดตารางตารางของใจของพวกเราหรือดวงวิญญาณของพวกเราเวลาที่ออกจากร่านนี้ไปแล้วก็คืออบายที่อยู่ของคนที่ไม่รักษาศีลเช่นไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกนี่นี่คือที่ไปของผู้ที่ไม่รักษาศีล ถึงแม้จะทำทานแล้วก็ตามถ้าไม่ได้รักษาศีลก่อนที่เราจะได้รับผลของบุญของทานที่เราทำเราต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนแต่ถ้าเรารักษาศีลได้เวลาเราออกจากร่าง น, นี้ไปเราก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆ ชั้นเทพเป็นเทพชั้นต่างๆนี่คืออนิสง์ของการผ่อนบ้านด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลถ้าเราอยากจะได้บ้านระดับที่สูงกว่านี้รู้กว่านี้ดีกว่านี้เราก็ต้องภาวนาทำใจให้สงบฝึกนั่งสมาธิต้งเบื้อ ง, งต้นก็สวดมนต์ไปก่อน แล้วก็นั่งหลับตาควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือจะดูลมหายใจเท่าออกไปก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้สองอย่างควบกันไปก็ได้แล้วแต่ความถนัด บางคนก็ท่องบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับลมบางคนก็ดูลมอย่างเดียวไม่ต้องบริกรรมพุโทโธพุธโทโธบางคนก็ใช้ทั้งสองอย่างดูลมแล้วก็ท่องพุโทโธไปด้วยเช่นเวลาหายใจเข้าก็ว่าพุโทโธหายใจออกก็ว่าพุโทโธอย่างนี้ก็ได้ เป้าหมายของการกระทำก็เพื่อที่ให้ใจหยุดคิดหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เราคิดกันอยู่ตั้งแต่ตื่นจนหลับเราไม่เคยหยุดความคิดของเราเลยเราต้องมาหยุดความคิดให้ได้เพราะถ้าหยุดความคิดได้ใจจะมีความสุขยิ่งกว่าเวลาที่คิดใจจะมีบ้านที่ดีกว่าบ้านของเทวดา คือจะเป็นบ้านระดับพรหมถ้าเรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้เราก็จะได้สวรรค์ชั้นพรหมถ้าเราออกจากร่างกายนี้ไปแล้วถ้าเราอยากจะไปสูงกว่านี้ไปแบบไม่กลับมาหรือกลับมาไม่นานไม่มากเราก็ต้องปฏิบัติธรรมขั้นสูงกว่านี้ เรานั่งสมาธิได้แล้วทาใจให้สงบได้แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือสอนใจสอนใจให้ละความอยากต่างๆอย่าให้มีความอยากมีหลงเหลืออยู่ภายในใจเพราะความอยากนี้จะเป็นตัวที่จะดึงให้ใจของเราต้องกลับมาเกิดใหม่คือหลังจากที่เรา ไปสวรรค์แล้วไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นเทพหรือสวรรค์ชั้นพรมเราก็จะอยู่ได้ระยะหนึ่งพอบุญที่เราทํานั้นหมดแล้วใจของเราก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ต้องมาทําบุญละบาปต้องมาภาวานาใหม่นั่งสมาธิใหม่ เพื่อที่เวลาตายไปจะได้กลับขึ้นไปสู่สวรรค์ใหม่แต่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปวนไปเวียงมาถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมที่สูงกว่าขั้นสมาธิก็คือทำขั้นปัญญาปัญญาก็คือความรู้ที่จะสอนให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้น่าอยากได้เพราะว่า สิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปเวลาได้มาก็ดีใจเวลาหมดไปก็เสีย อ, อกเสียใจแล้วก็จะอยากได้ใหม่อยากได้ใหม่ก็ไปหาใหม่พอได้มาใหม่ก็มาเสียอีกจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆความอยากก็จะไม่มีวันหมดไป เมื่อไม่มีความอยากไม่หมดไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกเกิดมาแกมาเจ็บมาตายมาทำบุญทาทานมารักษาศีลมานั่งสมาธิใหม่เราก็จะเวียนกันไปอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าที่เราจะไปใช้กรรมในอบายถ้าเราไม่รักษาศีล ถ้าเรรักษาศีลห้าไม่ได้เวลาตายไปเราก็จะต้องไปใช้กรรมในบายแทนที่จะไปเกิดเป็นเทพก็จะไปเกิดเป็นเกิดเป็นเดรัจฉา น, เ ป, นเป็นเป็นเปรตหรือถ้าหนักกว่านั้นก็ไปตกนรกจนกว่าบาปที่ทำไว้นั้นหมดอายุถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ อย่างน้อยขอให้เราทำบุญ ท, ทาทานอยู่เรื่อยๆแทนที่จะเอาเงินทองไปซื้อของต่างๆให้เอาไปทำทานจะดีกว่าแทนที่จะไปซื้อเสื้อผ้าที่เรามีเหลือเฟือแล้วซื้อรองเท้าที่เรามีเหลือเฟือแล้วซื้อกระเป๋าที่เรามีพอแล้วซื้ออะไรต่างๆที่ไม่จําเป็นที่ไม่ขาดแคลง เอาเงินที่จะไปซื้อของเหล่านี้ไปทำทานไปให้ความสุขแก่ผู้อื่นความสุขนั้นจะกลับมาที่ใจของเราแล้วจะทำให้ใจของเราได้เป็นเทพขึ้นมาเป็นเทวดาขึ้นมา <c oughs> ถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ได้ผลที่เราควรจะได้เหมือนกับถ้าเราไม่ไปผ่อนส่งบ้านใหม่ ไม่ยอมไปซื้อบ้านใหม่ไม่ยอมไปจองบ้านใหม่ไม่ไปผ่อนส่งราคาของบ้านพอเวลาบ้านเก่าเราพังไปเราก็จะไม่มีบ้านใหม่อยู่เราก็จะไปอยู่แบบขอทานขอทานทางจิตวิญญาณนี่เ็าเรียกว่าเปรตนี่เองเปรตเป็นผู้ที่มาคอยรับส่วนบุญของพวกเรา เวลาที่พวกเราทำบุญอุทิศนี้ผู้ที่จะมารอรอรับก็คือเปรตเพียงพวกเดียวเท่านั้นพวกอื่นนี้เขาไม่ได้มารอรับมารับไม่ได้เช่นเป็นเดรัจฉานเขาก็ต้องไปหากินตามภาษาของเขาถ้าไปตกนรกก็จะเหมือนกับไปติดคุกติดต า, าออกมาขอทานไม่ได้ ต้องเป็นเปรตเท่านั้นถึงจะมารอรับส่วนบุญอุทิศของพวกเราได้และการจะเป็นเปรตก็คือการไม่ทําทานการไม่รักษาศีลเวลาโลภอยากได้อะไรแทนที่จะหามาโดยวิธีที่ไม่ต้องทําบาปก็ไปทําบาปไปโกหกบ้างไปหลอกลวงบ้างไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ้างเพื่อที่จะได้ เงินได้ทองเราซื้อข้าวซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ยอมเอาเงินทองที่หามาได้นี้เอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเก็บไว้เป็นของตนตายไปก็จะไปเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างหรือไปตกนรกบ้างขึ้นอยู่กับบาปที่ทำว่าหนักหรือเบาถ้าหนักมากก็ไปนรก ถ้าไม่มากก็ไปเป็นเปรตหรือไปเป็นเดราาัจฉานแต่ถ้าไม่ทําเลยเวลาตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายได้ไปเกิดเป็นเทวดาถ้าทําทานด้วยถ้าไม่ได้ทําทานเพียงแต่รักษาศีลก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าทําทานก็ไปเกิดในสวรรค์ก่อน เหมือนกับได้รางวัลให้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศก่อนเที่ยวจนมาั่างเงินหมดแล้วค่อยกลับมาทำงาหากินใหม่การไปสวรรค์ก็เป็นเหมือนกับการไปท่องเที่ยวพอเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์การมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับกลับมาทำงานใหม่ต้องกลับมาทำบุญใหม่ต้องมารักษาศีลใหม่ต้องมาภาวนาใหม่ แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมขั้นสูงกว่าทำทานรักษาสีนั่งสมาธิได้ก็คือปฏิบัติธรรมขั้นปัญญาได้เราก็จะกลับมาเพียงไม่กี่ครั้งเช่นถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เราก็หยุดความอยากที่จะมีร่างกายใหม่หยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอย่างที่พวกเรากำลังใช้กันอยู่ทุกวันนี้เรากำลังใช้ร่างกายหาความสุขเราอยากจะดูเราก็ต้องมีตาเราอยากจะฟังเราก็ต้องมีหูเราอยากจะดื่มอยากจะรับประทานเราก็ต้องมีลิ้นแต่ถ้าเรา เห็นว่าการใช้ร่างกายหาความสุขนี้จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่เราก็หยุดใช้ร่างกายหาความสุขไม่ต้องหามันไม่ต้องเดิมไม่ต้องดูไม่ต้องฟังอะไรต่อไปเวลาตายไปเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมามีร่างกายใหม่ถ้าเรายังตัดไม่ได้เราตัดได้บางส่วน เราก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาหรือหนึ่งชาตแต่ถ้าเราตัดความอยากผ่านทางร่างกายได้คือไม่ใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้อย่างพวกที่มาบวชถือศีลแปลหรือพวกที่บวชเป็นพระนี่เขาตัดการหาความสุขทางร่างกายเขาหันมาหาความสุข ทางใจด้วยการนั่งสมาธิด้วยการสอนใจให้ตัดความอยากต่างๆถ้าทําได้ความอยากน้อยลงไปการจะกลับมาเกิดใหม่ก็จะมีน้อยลงไปขั้นแรกเรียกว่าขั้นโสดาบันที่ก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดขั้งเป็นอย่างมากถ้าขั้นที่สองขั้นสกิดาคามี ก็จะไม่กลับก็จะกลับมาเกิดเพียงขั้งเดียวถ้าขั้นที่สามเป็นพระานาคามีนี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเลยจะไปเกิดที่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะเข้าสู่พระนิพานไปต่อไปพระนิพานก็คือบ้านที่ถาวรบ้านที่ไม่มีวันเสือ่อมเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุด เพราะมีความสุขที่สูงสุดถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนคอนโดชั้นสูงสุดเวลาจะซื้อคอนโดนี้ถ้าจะซื้อชั้นสูงสุดนี่ราคาจะแพงกว่าชั้นอื่นๆเพราะว่าจะมีวิวให้ได้ชมได้อย่างชัดเจนอย่างกว้างไกลถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นนิพพาน ก็ต้องเจริญปัญญาเจริญวิปัสนาจนสามารถตัดความอยากต่างๆทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้ใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปไม่ต้องมาเป็นพรหมไม่ต้องมาเป็นเทเไม่ต้องมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไม่ต้องไปตกดัลโกอีกต่อไป นี่คือการผ่อนส่งบ้านระดับราคาต่างๆอยู่ที่เงินที่เราผ่อนถ้าเงินผ่อนน้อยก็จะได้บ้านาระดับต่ำถ้าผ่อนส่งมากก็จะได้ระดับสูง เ, เงินที่เราผ่อนก็คือการทำทางการรักษาศีลการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาอันนี้อยู่ตาม เทศที่เราทำผ่อนมากก็จะได้บ้านที่ราคาดีราคาสูงถ้าผ่อนน้อยก็จะได้บ้านที่ราคาต่าคุณภาพต่ำถ้าไม่ผ่อนเลยก็จะต้องไปเป็นเดราาัฉานไปเป็นเปรไปตกนรกอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดจารุและได้ทรง ปฏิบัติมาแล้วทรงได้ผ่อนส่งบ้านของพระองค์จนได้บ้านชั้นสูงสุดแล้วเมื่อได้แล้วก็ทรงเอามาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นให้รู้ความจริงอันนี้ผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็จะได้บ้านระดับชั้นต่างๆขึ้นไป ตามกาลังของการปฏิบัติถ้าทำทานรักษาศีลก็ได้ชั้นเทพถ้าทำนั่งสมาธิได้ก็จะได้ชั้นพรหมถ้าจเจริญปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัดความอยากต่างๆได้ก็จะไปขั้นสูงสุดก็คือขั้นพระนิพพาน <c oughs> บ้านเหล่านี้ไม่มีใครสร้างให้เราได้ สร้างแทนเราไม่ได้ผ่อนแทนเราไม่ได้เราต้องเป็นผู้สร้างกันเองถ้าเราไม่สร้างเราก็ไม่ได้ผู้อื่นเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาโลกนี้ท่านเป็นเพียงผู้บอกให้เรารู้วิธีที่จะผ่อนบ้านเหล่านี้เท่านั้นเองแต่ท่านไม่สามารถผอดให้เราได้ท่านทำทานให้เราไม่ได้รักษาศีลให้เราไม่ได้นั่งสมาธิให้เราไม่ได้ จเจริญปัญญาให้เราไม่ได้เราต้องเป็นผู้กระทำกันเองอย่างที่พวกเรามาทำกันในวันนี้วันนี้เราก็ได้มาทำทานได้มารักษาศีลได้มาฝึกทำใจให้สงบได้มาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาถ้าเราทำบ่อยๆทำมากขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะ ผ่อนบ้านของเราได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่นานเราก็จะมีบ้านใหม่ที่ดีรอรับเราอยู่ดังนั้นขอให้พวกเราจงเชื่อพระพุทธเจ้าอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในเริ่มนี้เพราะเขาจะเป็นของให้ความสุขกับเราเพียงชั่วคราวเท่านั้น ชั่วขณะที่บีร่างกายอันนี้อยู่ชั่วขณะที่ร่างกายที่แข็งแรงพอร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่สามารถหาความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้แต่ถ้าเรามาทําทาน ม, มารักษาสิ่งมานั่งสมาธิมาจเจริญปัญญาเราจะมีความสุข ภายในใจของเราโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เรายังมีความสุขได้เพราะเรายังทำทานได้ยังรักษาศีลได้ยังนั่งสมาธิได้ยังจเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมได้อันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่จะติดไปกับเราเวลาที่เราจากโลกนี้ไปแล้วไม่เหมือนกับความสุขต่างๆที่เราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพอไม่มีร่างกายดีแล้วเราก็ไม่สามารถมีความสุขต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเวลาไม่สบายจะดูหนังก็ดูไม่สุขจะฟังเพลงก็ไม่สุขจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไม่ได้ เพราะร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ดังนั้นขอให้เราอย่าหลงกับความสุขของทางร่างกายเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวและมันจะต้องมีวันที่จะต้องหมดไปแต่ถ้าเรามาหาความสุขจากการทำทานจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิจากการเจริญปัญญา เราจะมีความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่ า, ร, าร่างกายจะแก่หรือไม่จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่หรือจะตายก็ไม่เป็นปนัญหาอะไรเพราะความสุขเหล่านี้เราใช้ใจเป็นเครื่องมือใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ได้แก่ไปกับร่างกายไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกาย ใจของเราจึงสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลามีความสุขได้ในขณะนี้มีความสุขได้ตอนที่เราแก่ลงไปมีความสุขได้ตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยมีความสุขได้ตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี่คือความวิเศษความมหาัศจรรย์ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนพวกเราก็จะอาศัยความสุขผ่านทางร่างกายไปเท่านั้นแล้วพอเวลาร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือจะตายเวลานั้นเราก็จะไม่สามารถมีความสุขได้อีกต่อไปแต่ถ้าเราได้มาพบคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะได้มีความสุขตลอดเวลานี่คือสิ่์ที่พวกเราถือว่าเป็นโชคเป็นวาสนาที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอย่าปล่อยโอกาสอันดีนี้ให้หลุดมือไปเหมือนกับเวลาที่เขามีการเปิดร้านขายของให้คนอยากได้ข้าวของเข้าไปหยิบเอาตามอเภอใจไม่ต้องเสียเงิน เช่นล้านนี้เขาจะปิดแล้วเขาอยากจะโลกของต่างๆทิ้งไปเขาอยากจะทําเร็วๆเขาก็เลยเปิดให้ทุกคนเข้ามาหยิบได้ตามสบายพวกเราก็เหมือนกับได้มาพบกับร้านที่จะให้เราได้เลือกบ้านชนิดต่างๆได้ขอให้เราเข้าไปหยิบเอาตามสบายเลยอยากจะได้บ้านระดับไหนก็เอาไปได้ ขอให้ทำทานให้รักษาศิล์ให้ภาวนานั่งสมาธิจเจริญปัญญาเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะได้บ้านระดับต่างๆได้ความสุขระดับต่างๆโอกาสนี้นานานจะมีเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้แล้วมาประกาศพระธรรมคาสอนมาสร้างพระพุทธศาสนาขึ้นมา ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีใครสอนเราบอกเราวิธีให้เราได้สร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้ดังนั้นชาตินี้เป็นชาติที่ดีนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งอย่าปล่อยให้โอกาสอันดีๆผ่านไปแล้วจะเสียใจในภายหลังเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาที่เราจะตายตอนนั้นเราจะเสีย อ, อกเสียใจจะเสียดายโอกาสเพราะมีผู้ที่เขาเป็นอย่างนี้มามาหามาเล่าให้ฟังแล้วพอเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมีการผ่าตัดนี้ขึ้นมาใจก็ทุกข์ทรมานแล้วแต่ถ้าเราได้ทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเราจะไม่เดือดร้อนเลย ร่างกายจะเจ็บตรงไหนจะต้องรักษาอย่างไรจะต้องผ่าตัดหรือไม่นี้เราจะไม่เตือนร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะอยู่ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปจะหายหรือไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้ร่างกายนี้แหละเราใช้ใจใช้การทำทานใช้การนั่งสมาธิใช้การรักษาสิงใช้การ จเจริญปัญญาเป็นเครื่องมือให้ความสุดกับเราผมขอให้พวกเราอย่าประมาทให้เราเรีบมาฝึกฝนอบรมกันหัดทากันใหม่ๆอาจจะรู้สึกยากเหมือนกับการที่เราทาอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนเช่นการพิมพ์ดีใหม่ๆก็พิมพ์ไม่เป็นแต่ถ้าเราหัดพิมพ์ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะพิมพ์ได้อย่างชนานาญ การทำทานรักษาศีลการนั่งสมาธิการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เหมือนกันใหม่ๆก็จะรู้สึกยากไม่ถนัดไม่ชอบแต่ถ้าเราฝืนทำไปเรื่อยๆบังคับใจให้ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็จะชอบเองจะมีความสุขกับการกระทำเหล่านี้ขอให้เราบังคับตัวเราเองถ้าไม่บังคับมันก็จะไม่ทำ แต่ถ้าบังคับไปแล้วต่อไปมันก็จะทำได้และจะติดใจพอเราทำได้แล้วเราก็จะได้สร้างความสุขผ่านทางใจเลยไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็จะมีความสุขไปตลอดเวลาจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างบ้านใหม่มาสร้างความสุขผ่านทางใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เหตุว่าสมควรแก่เวลาจึงข อ, อยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญตันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ